อยู่ในจังหวัดมหาสารคามมีเสียงรรมของหลวงตาอยู่มั้มีมั้ยฮะหมามันมีมีมีเสียงถรำหลวงตาเปิดวิทยุฟั ง, งกันได้สนุั ลีลีลีเขาตายอยู่ผู้เดียวกับลียงลงมเพราะอย่างนี้หนะึ่งธรรมะของลงตาคนนึงธรรมะที่มันไหลออกมาจากจิตจากใจจากดวงจิตดวงใจดวงท่องของลงตาจิตใจของลงตา มันเป็นถ้ำแล้วมันมันเป็นถ้ำบริบูรณ์แล้ว <Okay. S 1> เป็นเป็นถ ร, ร, รยเปอร์เซ็นแล้วของพื้นย่งมกัของพวกเข่าเนี่ยจะถามว่ า, วาผัวห้องผึกศปฏิบัติจะดูได้เห็นได้ไหมเหมือนกับดวงตาอย่าไปสงสัยแล้วผลเหมือนกันเอเหลับตาลงแล้วมามองปากของกู ให้ดูให้ดูตัวเองดูดวกจิตดวงใจตัวเอง <c oughs> แล้วก็นั่งตามสบายใครใครนั่งลักษณะได้คนนั่งตามสบายของใครของเรา <c oughs> จะนั่งขัดสมาธใกนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่ง <c oughs> ยันไดก็ได้โอ้ี่นั่งอยู่ อยู่เก้าอี้ก็นนั่งตามสบาย <c oughs> แล้วก็ให้พากันสำระจิตใจอารมณ์ต่งตางๆที่มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจพะละทั้งหลายแหล่เนี่ยปล o อ g วางให้หมดปล่อยปให้หมดเพื่อจะเอาดวงจิตดวงใจเปลียบประมาเพระไม่เหมือนกับภาษนะสำระให้มัน อสะอาดแล้วก็ธรรมะอันสะอาดม่นกดจะเข้าไปฝังยึดบรรจุอยู่ในดวงขีดดวงใจของพวกเราที่ททมันตกค้างอยู่เราจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติอทีนี่พระพุทธเจ้าธรรมาสอนพวกเราเนี่ยประโยคแรกท่าน <c oughs> มาสอนพวกเราเนี่ยนั่นนะให้รู้จักบีดามารดา ให้เขาลบทิรามาดาแลก็สอนให้ลูกวิรามาดาแลกสอนให้ลูกตนเองแลกสอนให้ปฏิบัติตามหาตนของตนให้มันลู่ให้มันเห็นตนพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตน คำระธรรมในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงใจของพวกเรอย่านี้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลน่ะสัตว์โลกทั้งหลายแหล่เว้นตั้งแต่พระอริเจ้าตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหรันและพระพุทธเจ้านอกนั่นจิตใจเหมือนกันทั้งหมด เหมือนตรงไหนเหมือนมันมายึดเอาของภายนอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลของภายนอกคืออะไรของภายนอกคือก้อนสกปรกและกายของพวกเรานี่แหละ mm hmm. ตั้งต้นไปตั้ตาตั้งต้นม า, าตั้งแต่หมักตัวเล็กๆมาถึงมดดำมดแดงขึ้นมาสับน้ำสัว์ บ, บกทั้งหลายเหลทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ใหญ่กปถึงช่าง นักมาถึงขั้นบุคคลทั้งบุคคลสั้นสูงสั้นต่ำมีสมบัติเท่ากันเสมอกันอย่างเดียวกันคืออะไรคือป้อนสกลและกายนี่มันมีธาตุทั้งสี่รวมกันอยู่นี่ที่ธาตุทั้งสี่นี่ที่มองมองเห็นด้วยตาคือธาตุดินกับธาตุน้ำ ธาตุดินอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในก่อนถ้าอยู่ภายในคํำ ท, ที่ว่าภายในก็หมายถึงก้อนสกุลและกายตัวตัวของพวกเราภายนอกก็คือแผน่นแผ่นดินใหญ่นั่นแหละแล้วก็ต้นไม้ภูเขาเทววันภายนอกภายในก็คื อ, อก้อนสกลลกายของพวกเราเนี่ยนั่นแหละ mm hmm. มันรวมกันอยูมันมีของสี่อย่างเท่านั้นนอกนั้นกนัอันเดียวกันหมดต้นไม้ภูเขาเทาวันมีของหมดทั้งโลกเลยมีของสี่อย่างเท่านี้ กาจารย์โลกเกิดขึ้นมากับมายิตของสอย่างว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นอ่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตนนั้นแท้จริงวันพระพุทธเจ้าที่มาสอนให้พวกเราเนี่ยมหาวิถทางมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาตั้งต้นป็นจาการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานสร้างสติสร้างปัญญานี่ให้ม่นเกิดมีขึ้นพายใดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยธาตุดินนั้นอยู่ตรงไหน ธาตุดินก็มีสวดเป็นเมื่อสักครู่นี่ที่ผ่านไปผมขนได้ฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตาปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินมีธาตุน้ํามีน้ําดีน้ําะเฉลดน้ํำนองน้าเลือดน้ําเมื่อน้ํามันคนน้ําลายน้ํามูดน้ําไข่ขอน้ํามูดนี่คือธาตุน้ํานี่ธาตุน้ํานี่เป็นสมบัติของมารดา เป็นมูลมรดกของมารดาธาตุดินเป็นมูลมรดกของบิดาเนี่ยธาตุดินนี่ว่าผลผมผลเอาผมขนเล็บฟันหนังใหญ่กระดูกเก้นนี่กระดูกตาปอดไส้น้อยไส้ใหญ่ ห, นหนันใหม่หันเก่านี่สมบัติของบิดาเป็นมูลมรดกของบิดาสมบัติของมารดามีน้ ำ, ด, นำดีน้ำเจลน้ำน้องน้ำเลือดน้ำเหงือ่อนน้ำมันข้น นำลายนำมูดนำขี้ขอดำมูดนี่เป็นสมบัติของมารดาที่นธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นธาตุลมก็อาศัยพัดไปพัดมาให้ธาตุทั้งสี่นี่สามัคคีกันอยู่ตั้งตั้งอยู่ได้ซั่วขณะเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะแตกท้าทำาไมมันจึงแตกก็เพราะมันมีอายุอย่างมากกับร้อยปีมันก็แตกแล้วเมื่อมันแตกแล้วไปที่ไหน มันมาจากที่ไหนมันกลับไปที่เดิมมันเมื่อถ้าไม่เผา่เอาไปทิ้งไว้ธาตุดินก็จะละลายลงไปสู่ดินน้ําก็จะไหละ ล, ลงไปสู่น้ําไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมนั่นจะถามว่าสัตว์มันอยู่ตรงไหนที่นี่บุคคลมันอยู่ตรงไหนน่ยนิสโตไม่ใช่สั ต, ตว์นิสิวไม่ใช่ชีวิตศุนยวเป็นของว่างเปล่านั่น ที่นี่ที่พวกเรามาเกิดม า, มาเกิดเมื่อแก่มา่อ เ, ม า, เมาตายถ้าย้อนหลังๆมันเป็นล้านๆเนาะท่านพบที่เกิดทั้งเกิดเป็นสัตว์ทั้งเกิดเป็นบุคคลทั้งไปตกนรกสร้างขึ้นไปเกิดในบนสวรรค์กลับไปกลับมาอมันมีพ้นเพราะฉะนั้นท่านจะให้มาปฏิบัติให้มารู้ทำเห็นธรรมของจริงของพระอริเจ้าคืออะไรคืออริยสัจธรรมทั้งสี อาิยะอาลยะแปลวา่าแปลแปลวา่า ป, ประเสริฐเป็นธรรมเปนประเสริฐของพระอรลัยเจ้า<ม>สัจจะแปลว่าววของจริงจริงอะไรที่นี่จริงทุกหนึ่งจริงสมุทัยเห็นตุทุกเกิดที่หนึ่งจริงนิโรธคือความดับทุกข์ที่หนึ่งนิโรธนี่ใครก็ตามถ้าปฏิบัติมาปฏิบัติทําจิตใจให้สบงบระงับเข้าไป รวมเข้าไปถึงขั้นที่ท่านให้ชื่อให้นามว่าอัปปนาสมาธิถ้าจิตมันสงบรวมเข้าไปได้จริงๆมันจะว่างมันจะไม่มีอะไรโดยสมาสารแล้วโดยปกติแล้วดวงจิตดวงใจแท้ๆนะมันจะว่างเพราะดวงจิตดวงใจนี่ยมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างไม่เป็นตัวเป็นตนส่วนเป็นตัวเป็นต้นเป็นก้อนธาตุต่างหาก นะเมื่อจิตสงบเข้าไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเมื่อจิจถอนขึ้นมาว่าร่างกายกับจิตใจนี่ยมันจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกจะรู้เองเห็นเดงปัจะตังลูกของใครของเราอมากก้อนสกล ก, การนี่เป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งจิตใจเนี่ยเป็นสภาวะอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแล้วนั่นนี่ ที่นี่ที่ท่านเห็นเห็นเมื่อจากาที่ผ่านมาก่อนจะทําวัดหน้นาโม он, นหนโม он, ตัดสาภกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพุทธะนีะ่นี่ไหว้ไหว้ครูว่าไหว้มารดาบิดาแล้วก็ไหว้พระพุทธเจ้าหน้าโม он, น้านี่หน้านี่คือแม่โมนี่คือพ่อคือหน้าโม он, ตัดสาภกวะโต พระว่าโตอันว่าพระภู้มีพระพเจ้าอารหะโตท่านเป็นพระอรหันตัสมาท่านตัดสรู้ชอบแล้วสัมพุทธทัศนะทัศน์ท่านเห็นชอบแล้วทัศน์เป็ว่าทัศนธาเป็นองค์เขเห็นสัมมาสัมพุทธทัศน์ท่านเห็นอะไรเห็นของจริงเห็นอริยสัจธรมทั้งสี่เห็นทุกนี่พระอรหันตั และพระพุทธเจ้าเห็นทุกล้านเปอร์เซ็นเหมือนเด้ไม่ใช่ธรรมดาเลยล้านเปอร์เซ็นเห็นเหตุทุกเกิดก็ล้านเปอร์เซ็น์เหมือนกันแล้วก็เห็นนิโรธเมื่อจิตสงบลงไปหนึ่งก็ล้านเปอร์เซ็นเหมือนกันกห น, น, น, น, ห น, น, น, นี่มันถึงสีดแดงทั้งหมดจิตมันจะพ้นทาไมมันจะพ้นมันเบื่อเห็นโทษมัน หน่เห็นโทษมันสองเห็นว่ามันไม่ใช่ตนนี่ตรงของตนจริงๆเราไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ดินไม่ใช่น้าไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมเวทนาความสุขความทุกข์กันนี่ก็ไม่ใช่ตนสัญญาความจาได้ไมารู้นี่ก็ไม่ใช่ตนสังขารควบคุงควบแต่งควบคิดควบมึกดีใจเสียใจรักรังโกหลงแถวนี้ก็ไม่ใช่ตนวิญญาณความรับทัดความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจนี่ก็ไม่ใช่ตนนั่นเห็นไหม พระโสดานท่านเห็นเห็นธรรมสามอย่าง เ, เห็นทุกหนึ่งเห็นสิ่งอุปไยเห็นทุกเกิดหนึ่งเห็นนิโรธที่คมดับทุกนี้หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยกับหม100ื่นเปอร์ซนต์ร้อยเปอเซนตพันรมื่นเปอเซนท่านจะละตัวส ก, กายยติธีนี้ได้ สังยุดสามนี่ละสากายุติละกัิจิจิตษาความสงสัยลังเลศีลพตรประปรมาณนี่ครับเนี่ยก็ไม่สงสัยนี่ขาดเลยชื่อมันในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เป็นไม่ไ ป, ไไ ป, ไปถือศาสนาอื่นลทัทธิอื่นอย่างอื่นไม่เลยไปกราบต้นไม้ภูเขาเทววันเป็นรณะเป็นที่พึ่งอออพอเห็นเห็นของจริงะคือทุกข์แล้วก็ทั้งเห็นตนพร้อม ต้นของตนแล้วก็เห็นเห็นตุทุกเกิดแล้วก็เห็นทุกเจียงจียงเล่าตัวสมุทัยเหตุทุกเกิดคืออะไรอยู่ที่ไหนที่นี่ถ้าลึกเข้าไปกระดวงจีน ด, ดวงใจอันที่มันลุ่มหลวงนี่แหละที่ท่านให้ชื่อให้นามว่าตัวอวิชชามีเหตุทุกเกิดคือจิตใจอที่นี่ย้อนลงมาจากจิตใจเข้ามาสู่ ของภายนอกคือร่างกายก้อนสกปรกายทั้งหมดที่ละรวมกันหมดทั้งก้อนนี่ ม, มีหละก้อนสมุทัยเหตุในทุกเกิดทั้งเป็นก้อนส ม, มุทยัยทั้งเป็นก้อนทุกเนทั้งเป็นเป็นเหตุให้ทุกเกิดจิตใจก็เป็นเหตุในทุกเกิดร่างกายส ม, มุดทั้งหมดก็เป็นเหตุในทุกเกิดนั่นตาก็เป็นเหตุในทุกเกิด หูก็เป็นเหตุทุกเกิดจมูกก็เป็นเหตุทุกเกิดลีนก็เป็นเหตุทุกเกิดกายก็เป็นเหตุทุกเกิดแม้กระทั่งจิตใจก็เป็นเหตุทุกเกิดนั่นเพราะฉะนั้นทั้งนี้เมื่อมันทุกข์ขึ้นมามากมากแล้วเวลาปฏิบัติอันละตัวทุกข์นี่แหละคือธรรมของจริงให้ไปเห็นมากๆที่นี่พวกเราทั้งหลายแหละนี่แหละที่มันไม่ที่มันรู้มาได้เห็นไม่ได้เพราะว่า กิเลสหรือว่าพิชาตัณหามันมันไม่ให้ทำมันเบรกไปมันปิดมันปิดทำไม่ทาไ ม, ทไม่ทำโผล่ขึ้นมาให้ดูให้ลูกให้เห็นอะไรแบถ้าเป็นมนุษย์ก็ปิดทำก็คือผ้า น, นหนึ่งปัจจัยทั้งสี่นี่ผ้าผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยปิดทุก็ปิดทำอาหารการบริโภคก็ปิดทุก็ปิดทำ ที่อยู่อาศัยบิดทุก็ปิดธรรมยาบําบัดโรคปิดทุกกับปิดธรรมนั่นนั่ละเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นเหตุมันเกิดขึ้นมากๆท่านน้อมกข้าไปกําหนดเข้าไปดูว่าตัวทุกข์จริงๆนะ่ะอหรือตัวสุขจริงๆนะ่ะสุขมันมีตนมีตัวไหมทุกข์มันมีตมมนมีตัวไหมนี่นี่ พระพุทธเจ้าท่านให้ดูให้มันรู้เขาไม่เห็นให้ามาถึงจิตทึ้งใจเสียว่าท่านในในหลักธรรมหลักหลักธรรมท่านว่าทุกขวนกำหนดรู้นั่นเอาจิตเลเข้าไปดูเข้าไปวิจัยวิจารเข้าไปขุดไปคิให้มันรู้เขาไม่เห็นทุกขวนกำหนดรู้สมุทัยเหตุทุกเกิดควรละว่าจะเนี่ให้ปลงให้วางให้ปล่อยทิ้งเนี่ยตัวสมุทัยนี่ เหทีุ่กเกิดคือร่างกายเนี่ยที่จีตเข้าไปยึดเนี่ยตัวเห็นทุกเกิดแ ล, แล้วก็บีนะพวกเราเน่มันมองข้ามมองมองมองข้ามมองข้ามตนเดงหรือมิจฉาเนาก็ดูถูกดูหมิ่นตนเดงว่าเราเนี่บุญน้อยวัฒนาน่อยไม่ใช่ฐานะ พวกเราผู้ปฏิบัตินั่นที่ท่านปฏิบัติท่านรู้ทำเห็นทาเห็นทุกและก็เห็นเหตุทุกเกิดและก็เห็นนี่ลวกขึ้ความดับทุกนี่สามอย่างนี่ะเป็นฆราวาสญาติโยมเหมือนพวกเราก็รู้ได้เห็นได้เหมือนกันถ้าเห็นเห็นชัดเจนถึงจิตถึงใจจริงนั่นะจิตใจมันจะเป็นพระ จิตใจไม่จะเป็นพระอริยเจ้าฮะไม่ใช่ว่าอยู่กับหัวโลนกับผ้าเหลืองอันนี้ก็ผ้าก็ใช้อยู่แต่ว่ามันมันเป็นสมมุติสมมุติที่สงที่ออกไปพืชปฏิบัติแต่ว่าจิตใจถ้าตาบได้จิตใจยังไม่เห็นทำสามอย่างนี่ทุกสมุทัยนิโรธสามอย่างนี่ตาบได้จิตใจยังไม่เป็นพระ ยังเป็นมุขทุชนคนธรรมดาเหมือนกันเหมือน ก, นกันกับพวกเราเนี่เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยสิน5้าของพวกเราเนี่ยรักษาให้แม่นบริสุทธิ์บริบุญถ้าสินห้าบริสุทธิ์บริบุญเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มีอะไรปิดบงังต้องรู้ได้เห็นได้แน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วก็ดำเนินไปตามมาักหนทางมาักมักทั้งแปด วันทางอันเดียวกันแหะท่าพระภิกษุสงฆ์กับพวกคารวาดญาติโยมก็มักอันเดียวกันนี่อันเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปปสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชโยสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นสัมมาเปวตชอบสัมมาทิฏฐิปัญญาอันหินชอบนี่เห็นอะไรเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยประโยคแรกทั้งเพราะพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าและพวกเรานี่ะ จำพระจหเห็นมันจะเห็นก่อนเพื่อนสมาธิปัญญาเห็นชอบส ม, มาสังกโปดัมลีชอบดัมลีชอบดัมลีอย่างไรรับดัมลีจะออกหนีจากกรรมจะถามอาการอยู่ที่ไหนสิเนี่ยดัมลีดัมลีจะออกหนีจากกรรมกรรมอยู่ที่ไห น, นเนี่ยก้อนสกุลละกายของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนี่แหละก้อนกรรม ที่อยู่อาศัยปัจจัยทั้งสี่นี่รัว่วนี่แต่กรรมทั้งนั้นสมบัติที่เราใส่สอยอยู่ในปัจจุบัน ม, มีกรรมกรมทั้งทรัพย์สมบัติแม้กตั้งร่างกาย ต, ต, ตัวของพวกเราเนี่ยเนี่ ย, ยกเนนัเป็นก้อนเป็นก้อนกรรมก้อนกรมดํานี้ออกจากกรรมที่การปฏิบัติันก็มีทั้งทั้งหยาบแม่ ท, ทั้งยาบและกับปานกลางและก็ละเอียดแต่ถึงที่สุดนี่ก็ทำมันเดียวกันที่นี่สัมมาทิฏฐิสมักสังกรปรสัมมาวาจา น, นี่เจรจาเกี่ยวกับสินทเกี่ยวกับสินเจรจาชอบไม่ให้ผิดสินผิดไม่ให้ผิดสินผิดธรรมรักษาทีนห้าทำมันได้ตัว อ่าอตัวมูสารนี่นนี่อ่าตัวที่สามที่เนี้ยอ่าเนี่ยสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาศัมมากรรมมันโตที่นี่การงานก็ให้มันชอบจะให้เวลางานอย่าให้มันเบียดเบียนตนและบุคคลคนอื่นการทํามาหาเรี่ยงซีบเนาทผิดชินผิดธรรมอย่าอย่าทำให้กระทบบุคคลคนอื่นอย่าทำให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาเดือดร้อน นี่สัมมาครรมันโตสัมมาอาชีวะที่เลี้ยงซีวิตย์ที่มันชอบอมไม่เบียดเบียนตนหรือบคคลคนอื่นบุคคลเดินส ด, ดืนเลี้ยงซีวิตย์ที่มันชอบและข้างนอกนั่นกับอาหารที่พระพุทธเจ้าท่าสอนมังสังสิบอย่างก็ให้ลาเวนเนื้อเนื้อสิบอย่างเนื้อมนุษย์เนื้อช่างเ น, าเนื้อหมาเนื้อหมาเนื้อราาสีเนื้อมีเนื้องู เมื้เสืโคมงเสือเหลืองเสือดาวทั้งหมดมังสังสิบอย่างท่านห้ามแล้วก็เว้นเรื่องชีวิตที่มันชอบแล้วก็นอกนั่นก็สิ่งที่ท่านห้ามอย่างสุราอย่างนี้ร่างกายมันก็ไม่ต้องการเนี่ยเนี่ยสุราเครื่องดองของเมาทุกอย่างนั่นแหละท่านเว้นสัมมาอาชีโว เดียงที่วิธธรรมชอบสัมมาสีวะสัมมาวายโมที่นี่เพียรชอบที่นี่เหมือนทางเพียนอะไรเพียรพยายามละบาปอากุทนที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วสังวรระวังรักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้น ส, สัม ม, า, า, ส ม, ม า, าสัมมาวายโม แล้วก็เพียนพยายามให้บุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันเสื่อมไปหายไปรักษาไว้หือเราเคยปฏิบัติคือเคยรักษาศีลมากศีลห่านก็รักษาไว้อย่าให้มันดังมันพ่อยิ่รักษาไปให้นตลอดฟังสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติ ให้ระลึกขับรับชอบระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลระลึกถึงสิ่งที่จะ ะ, ะ, ะ่สิ่งที่มันจะทำให้ใจิตใจของเราเนี่เบาสบายเยือกเย็นเนี่ยเป็นสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลนี่ให้ให้ระลึกสตินี่ให้ระลึกโู้หรือนนบซันกให้ระลึกถึง บททมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่เราสวดผ่านมาเมื่อสักครู่นี่ทำวัดสวดมนต์นี่นี่นี่เป็นว่าระลึกระลึกสติเระลึกชอบสมาสมาเทศบนี่ตั้งใจไว้ชอบที่นี่นนตั้งใจไว้ให้มันชอบยับตั้งใจไว้ เราตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะสร้างคุณงามความดีใส่ตรงของ ต, องตนเราจะสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นภายในสิของตนนี่ถ้ามันครบทั้งแปดข้อแปดอย่างนี่นี่นนหนทางเขาไปดับทุกข์จริงที่ น, นี้ประดับทุกข์ไปดับตรงไหนสิดับตรงที่มันเกิดสรุปแล้วมันเกิดที่ไหนเนี่ยมันก็ย้อ น, ย, อนย้อนกลับย้อนกลับมาที่เริมมาเนี่ย ที่เดิมอยู่ตรงไหนที่เดิมคือดวงขิดดวงใจนี่เมื่อเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นที่ดวงขีต ด, ดวงใจเกิดขึ้นที่กายกับใจเนี่ยเนี่ยต้นตอไมนอยู่ที่นี่ น, น, นั่นนี่ละนี่นี่สรุปเรียกกะก้อนสกปรกกายเนี่ยเป็นก้อนธรรมนี่ก้อนก้อนธรรมสมบัติของบิดามารดาเพราะฉะนั้นผู้ใช้เป็นสมบัติของบิดามารดาเป็นคนเป็นประโยชน์แก่ตนผู้ใช้ไม่เป็นเป็นบาปเป็นกรรม เนีไม่ไม่รักษาไม่ปฏิบัติไปทำคุ้ชั่วเสียหายตั่ตนอืนี่ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมไปดื่มชุลาเม่ไรเครื่องดองของเมาแ ล, ล้วก็ไปเห็นผิดไปกราบไปไหว่อย่างอื่นไปกราบไปไหว้ต้นไม้ภูเขาทักเอาอย่างอื่นเป็นสรณนะมันผิดทุนทางนี่นี่ถ้าไม่เชื่อ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปที่ไปเสีย ไ, ไปไปนับถือศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ย <c oughs> ก็ไปเห็นว่าบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพระนิพพานก็ไม่มี <c oughs> ว่ามันหมดมรรคหมดผลไปแล้วเห็นผิดอย่างนี้ไปทําวามสัตส์ตนของตนนนละเ <c oughs> มื่อแตกตายทาลายขันลงไปถิกรรมชั่วมันจะผลักดัน จิตใจให้ไปเกิดที่ภุมิที่ต่าภุมิที่ต่าไปเกิดที่ไหนภุมิที่ต่าไปเกิดในเมืองนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นชั่วอสุรกายไปเกิดเป็นสันดิลฉานไปเกิดไปพูดผีปีศาจอย่างใดอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่นี้ฝ่ายกุศลที่ผู้ได้ที่ได้ ป, ป ฏ, ฏิบัติตั้งต้นเป็น ก, การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาพอนั้น ตามสติกำลังตามสติกำลังของใครของเราอย่างน้อยอย่างตามเกาย้อนมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิมนี่แหละอันบริสุทธิ์บริบุญถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดในสวรรค์หกสั้นสั้นใดสั้นหนึ่งอที่จะกสูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดได้พรมจิมหกสั้นสั้นใดสั้นหนึ่งถ้ามาขึ้นก็กะขึนละที่นี่ สุทธวาสหถ้าไปถึงขั้นสุทธวาตห้านะ่ไม่ต้องได้ย้อนกลับลง ม, มาเกิ ด, ดอีกนั่นถ้านอกนั้นตั้งแต่พระอันนอันนีพระสั้นพระพระอนาคารที่ไปตกไปเกิ ด, ดนในในในพมมาโลกพมหกพมพมสิบหกสั้นอนน้พวกนี้ยังย้อนยอ้ยอนกลับลง ม, มาเกิดดีอยู่แต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ ไม่ดีในคํามไม่สร้างต่อให้ไม่ให้ไม่ผ่านพ้นไปนี่ต้องได้รับผลแน่นอนพวกเราอย่าไปสงสัยข้อวัตปฏิบัติของพระอรหันตเนี่ยให้พักันรักษ า, าชิ้นห้านี่ครับรักษาให้มันบริสุทธิ์เมื่อเมื่อรักษาไปรักษาไปรักษาไปเมื่อนานเข้านานเข้านานเข้านานเข้าเมื่อจิตใจไม่เป็นศีนลแลนะ้วน่ะไม่ต้องรักษาก็ได้ มันจะมีฮิรีความละอายแก่ใจละอายต่อบาปตัวกรรมโอตะปะความเกรงกลัวต่อบาปตัวกรรมมันจะเป็นไปเองของมันถ้ า, าจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมเลยมันจะกิดเมตตาสงสารบุคคลอืินสัตว์อื่นปรารถนาอยากให้บุคคลืินสัตว์อื่นมีความสุข ก, กายสบายใจและก็คิดจะช่วยให้บุคคลืินสัตว์อื่น พนจากทุกที่เขาได้ตกทุกข์ได้อยา่างจิตใจถ้าจิตใจใครก็ตามถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แปลว่าจิตใจเป็นสินจิตใจเป็นธรรมอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยเย็นเท่านั้นเหมือนกับข้างพุทธการ พ, พระภิกษุสงฆ์ท่านอยู่ด้วยกันพระอรหันต์ห้ารอยลูกไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะมิจะทำกับทำวันนั้นละใอ้พวกโล ก, กยญาไปสงสัยว่า มักหมดหมักไปแล้วหมดหมักไม่มีผลไม่มีจะจะไปเข้าใจผิดบางทีกับ ท, ทั้งเป็นพระนี่สอนกันเ่ยหมดหมักหมดผลดวา่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระโพลนทรีพานไปแล้วนั่นมันไม่หมดถ้ามีผู้ปฏิบัติเย็นมันก็ยังอยู่ในโลกอันนี้ร้อนก็นอยู่ในอยู่ในโลกอันนี้เนี่ย สุข ก, ก็อยู่ที่นี่ทุกข์กันอยู่ที่นี่นั่นแหะเช่นมันจะหายไปที่ไห น, น, นมันอยู่กับพวกเราเนี่ยแหละทำอย่าไปสงสัยอวาษนาไม่ใช่บัตรนั่งนอนอยู่ปรารถนาวาสนามันมาเองมันเป็นไปไม่ได้ต้องการทาบําเพ็ญต้องปฏิบัติเอาไม่ต้องจะเกิด ข, ข, ขึ้นมาได้วาสนาคือการกระทํา มีมันมีน้อยทําให้มากได้จะเล่นได้ไม่ต้องสงสัยสะสมไปสะสมมากข้อมากข้อเพราะเดียวไม่จะให้ผลเองเมื่อได้รับผลล่ะมันจึงจะมีในศรัทธาควมเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาไม่ผิดินเพราะฉะนั้นไอ้เพากันตั้งศัพท์ตั้งใจตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติของใครของเราช่วงร่างกายก็ให้โอกาสไม่เก็บไม่ป่วยก็จะกระทำมาเพ็ินได้ทําได้ปฏิบัติได้ ก็เป็นสมบัติของเราแล้วก็เป็นสมบัติอันกเกษมสูงสุดดีที่สุดก็คือดวงจิต ด, ดวงใจอันบริสุทธิ์นี่สรุปแล้วของดีอยู่กับพวกเราเนี่ยมีทุกรูปทรงนำอยู่ในดวงจิต ด, ดวงใจนี่ยจะไปหาของดี อ, งดอยู่เอาของดีอยู่ภายนอกอันนั้นกน็ดีอยู่แต่มันไม่จริงเหมือนกับจิตใจนี่อันนั้นมันเป็นสมบัติของโลกใส่อยู่ในโลกอย่างเพชรนินจินดาเงิน ทองเขาเอาพวกทองพวกอะไรที่โลกเขานิยมชมชอบแบบของดีของดีในโลกนั้นมันไม่เหมือนดวงจิตดวงใจความสุขเหมือนกันสูขของภายนอกไม่เหมือนเอาความสุขอันแท้จริงอ ย, อยู่ภายในดวงจิตดวงใจของงเราอความสุขกันแท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ในดวงจิตดวงใจแต่ละลายละลายเขาใครของเราอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงที่มัน บ, าบ้างๆเพราะฉะนันฉันให้มัปฏิบัติมา ท, ทําจิตใจให้มันบ้างหนึ่ง แล้วทาจิตใจให้มันสงบนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิให้มันหยุดนิ่งถ้าผู้ใดทําจิตใจให้หยุดนิ่งได้ตั้งตั้งจิตให้หยุดนิ่งได้นั่นแหละนี่ล่ะหิถทางเข้าไปดับทุกข์ทีนี่เมื่อจิตไปเห็นจิตหยุดนิ่งถ้ามันเห็นอยู่จิตหยุดนิ่งนานๆ น, น, นี่แหะท่านให้ชื่อว่านีโรดคือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นแหละ อย่าไปเสื่อมใสให้พากันฝ่าพุทปฏิบัติของใครของเรามันจะได้เป็นที่พึ่งของตนปัสพุทธนาฏปภูริเจ้าจังมาสอนในพวกเราปฏิบัติมาทําตนให้มันเป็นที่พึ่งของตนจังหวาอัตตาหิอัตโนดาโถตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตนโภหินาโถโภโรสิยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นว่าถ้าพวกเราอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ไทยวางสุกในโลกอยากพ้นโศไทยวางสุกในรักสุขทุกหนี้ของมีประจําโลก มนุษย์เศร้าโศกกับพอะสุกทุกทั้งสองเมื่อัฐสุกรัทุได้เหมือนเจป้ปองไม่เ่ร้มองขุนมัวชั่วนิดันอรัตเอวังก็มีด้วยปะการัตานี